จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาที่สามสิมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้า้อยห้าสเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทําประโยชน์ให้กับ ตนเองด้วยการมาทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะเป็นเหตุที่จะยังประโยชน์ให้กับตนเองอย่างแท้จริงชีวิตของเรานั้นมีอยู่สองส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งที่เป็นของเราและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ไม่เป็นของเราส่วนที่เป็นของเราก็คือจิตใจส่วนที่ไม่ใช่เป็นของเราก็คือร่างกายเราจึงต้องรู้จกักรู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่สำคัญกว่าส่วนที่เป็นของเรา หรือส่วนที่ไม่เป็นของเราส่วนที่เป็นของเรานี่จะอยู่กับเราไปอย่างถาวรจะอยู่กับเราไปตลอดส่วนที่ไม่เป็นของเราจะอยู่กับเราไปเพียงชั่วคราวไม่นานก็ต้องจากกันไปความสำคัญจึงอยู่ที่ส่วนที่เป็นของเราก็คือจิตใจ เพราะจิตใจจะอยู่กับเราไปตลอดส่วนร่างกายนี้เป็นส่วนที่ไม่สาคัญเพราะเป็นส่วนที่ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอยู่กับเราเพียงชั่วคราวเท่านั้นเราจึงควรให้ความสาคัญต่อจิตใจยิ่งกว่าให้ความสาคัญต่อร่างกายเราควรดูแลรักษาจิตใจ เราให้มากกว่าดูแลรักษาร่างกายเพราะว่าเวลาถ้าเราดูแลรักษาร่างกายมากเราจะไม่มีเวลามาดูแลรักษาใจของเราเพอใจของเราไม่ได้รับการดูแลอย่างพอเพียงใจของเราก็จะไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกข์ แต่ถ้าเราดูแลร่างกายเราพอประมาณพอให้อยู่ได้พอไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะได้มีเวลามาดูแลรักษาจิตใจของเราเพื่อที่จะทําให้ใจของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงอย่างนี้จะเป็นประโยชน์กว่าเพราะความสุข ของใจนี้มีความหนักมีความยิ่งใหญ่มีความรุนแรงมากกว่าความสุขของทางว่างกายเช่นเดียวกับความทุกข์ของใจก็มีความหนักมีความรุนแรงมากกว่าความทุกข์ของทองางร่างกายถ้าเราสร้างความสุขให้เกิดขึ้น ภายในใจให้มีมากกว่าความทุกข์ภายในใจเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขและความทุกข์ทางร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหากับใจที่มีความสุขเพราะน้ำหนักของความสุขของทางร่างกายนี้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวของความสุขของใจ ความทุกข์ของร่างกายก็เป็นเพียงเสี่ยวเดียวจะไม่มีอิทธิพลที่จะไปลบล้างความสุขของใจได้ถ้ามีความสุขใจแล้วความทุกข์ของร่างกายจะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้ามีความสุขทางร่างกายแต่มีความทุกข์ใจ ความสุขทางร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะมาปัดเป่าหรือดับความทุกข์ทางจิตใจไปได้คนเราเวลาร่างกายเราสุขเราสบายเรามีความสุขทางร่างกายแต่เราพอเรามีความทุกข์ทางใจขึ้นมานี้ความสุขทางร่างกายนี้หายไปหมดเลยเวลามีความเศร้าสศกเสียใจ มีความหวาดกลัวมีความวิตกกังวล ต, ต่างๆใจของเรานีจะทุกข์ทรมานใจมากความสุขทางร่างกายไม่สามารถที่จะมาปัดเป่าหรือที่จะมาช่วยดับความทุกข์ภายในใจได้เลยในทางตรงกันข้ามถ้าเรามีความสุขทางใจแล้วเวลาร่างกายเกิดความทุกข์ขึ้นมา เช่นเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาจะตายความทุกข์ของทางร่างกายนี้จะไม่มีน้ำหนักที่จะมาบดบังหรือทำให้ความสุขภายในใจนี้น้อยลงไปเลยทำให้คนที่มีความสุขใจนี้ไม่ทุกข์กับความทุกข์ของทางร่างกาย เราจึงควรให้ความสำคัญต่อการมาดูแลรักษาใจสร้างความสุขทางใจดับความทุกข์ทางใจให้มากกว่าการสร้างความสุขทางร่างกายและดับความทุกข์ทางร่างกายความสุขทางร่างกายและความทุกข์ทางร่างกายนี้เราสามารถสร้างระดับได้ด้วยการมีปัจจัยสี่ เช่นมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมียารักษาโรคถ้าเรามีปัจจัยสี่ก็พอเพียงต่อการรักษาให้ร่างกายอยู่อย่างมีความสุขป้องกันไม่ให้ร่างกายเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ยกเว้นในกรณีที่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้สุดวิสัย ก็คือเวลาที่ร่างกายต้องแก่เวลาร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายต้องตายไม่มีใครที่จะสามารถที่จะมายับยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้เลยแต่ผู้ที่มีความสุขทางใจนั้นจะไม่เดือดร้อน กับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่ถ้าไม่มีความสุขทางใจแล้วเวลาร่างกายแก่เจ็บตายนี้ใจจะทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่มีความสุขใจมาดับความทุกข์ใจนั่นเองดังนั้นเราจึงควรให้เวลา กับการมาดูแลรักษาใจตามวิธีทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ทำกันเช่นการมาทำบุญให้ทานการมารักษาศีลการมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบและสอนใจให้ฉลาดด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรม ด้วยการพิจารณาความจริงของร่างกายอยู่เรื่อยๆถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะดับความทุกข์ภายในใจลงไปเรื่อยๆและจะสร้างความสุขภายในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆพอเวลาเกิดเหตุการณ์ทางร่างกายเราก็จะได้ไม่เดือดร้อน ไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไม่ทุกกับความตายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของคนที่เรารักก็ดีเช่นบิดามารดาสามีภรรยาบุตรทิดาญาเสนษฐมิตรสหายถ้าเรามีธรรมะมีบุญมีกุศล เราจะไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเลยแต่ถ้าเราไม่มาทําบุญไม่มารักษาศีลไม่มาปฏิบัติธรรมไม่มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะสร้างความสุขระดับความทุกข์ภายในใจของเรา พอเวลาเกิดความทุกข์ทางร่างกายใจของเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็จะไม่มีความสุขมาดับความทุกข์ได้เพราะว่าเราไม่ได้เตรียมไว้ก่อนนั่นเองเหมือนกับการเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้สำหรับดับไฟเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมา ถ้าเราไม่เตรียมเครื่องดับเพลิงไม่มีน้ำเตรียมไว้ก่อนเวลาเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเราจะไม่สามารถดับไฟที่ไหม้ได้เลยฉันใดเวลาใจของเราเกิดความทุกข์จากเหตุการณ์ต่างๆเช่นเกิดการพัดพรากจากบุคคลที่เรารักจากสิ่งที่เรารักเกิด การสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไปบุคคลที่เรารักบุกคคลที่เราชอบไปใจของเราจะทุกขไไ์ขึ้นมาทันทีเหมือนไฟไหม้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราได้เตรียมน้ำไว้ดับไฟคือเราได้เตรียมความสุขที่จะมาดับไฟพอเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราก็สามารถเอาความสุขใจนี้มาดับได้เลยความสุขใจนี้ก็เกิดจากการทําบุญให้ทานเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการนั่งสมาธิเกิดจากการเจริญปัญญานี้เองเพราะเป็นเหตุที่จะทําให้ใจเราสงบพอใจเราสงบแล้วใจก็จะมีความสุขพอมีความสุขแล้วเวลา เกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาก็จะสามารถใช้ความสุขทางใจนี่ดักได้อย่างสบายสามารถอยู่กับความแก่อยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่กับความตายได้อย่างสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือความสำคัญของการดูแลรักษาใจ ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะมีความสงบมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเวลามีเหตุการณ์ที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราก็จะมีความสงบมีความสุข มาดับความทุกข์ใจได้ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้มากทานนี้ก็คือให้เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีมากเกินความจำเป็นมากเกินความต้องการของเราอย่าหวงเก็บเอาไว้เพราะจะเป็นเหตุที่จะทำให้ทุกข์ใจได้ เวลาเราหวงสมบัติหวงข้าวของเงินทองใจของเราจะไม่สบายใจจะวิตกจะกังวลแล้วถึงเวลาที่เราตายไปเราก็ต้องจะสมบัติต่างๆไปอยู่ดีสมบัติต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงสมบัติชั่วคราวของเราที่เราไม่ควรที่จะไปยึดติดไม่ควรไปหวง ควรจะมีไว้สำหรับดูแลร่างกายของเราเท่านั้นเองถ้ามีมากเกินกว่า น, นั้นก็ควรที่จะนำเอาไปทำบุญให้ทานเพราะจะทำให้ใจไม่กังวลไม่วิตกไม่หวงไม่ห่วงแล้วจะอยู่อย่างมีความสุขและเวลาที่จะต้องจากสมบัติไปก็จะจากไปอย่างสงบจากไปอย่างสบายใจ คนที่ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆนี้เวลาสูญเสียสิ่งของบางอย่างไปเช่นขโมยขึ้นบ้านมาลักข้าวของไปหรือเงินทองหายไปหรือถูกคนช่อโอกงไปคนที่ทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆจะไม่เดือดร้อนจะไม่รู้สึกเสียดายเพราะว่าเคยให้อยู่เรื่อยๆ อ, อยู่แล้ว มีความสุขจากการให้ก็จะมองว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปเวลาขโมยขึ้นบ้านเวลาเงินทองถูกลักถูกขโมยไปแทนที่จะมาร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจกับมีความสุขได้เพราะมองว่าเป็นการทำบุญให้ทานไปขโมยเขาเดือดร้อนเขาต้องการเงินเรามีมากเกินไป เราก็แบ่งให้เขาไปเราไม่ต้องเสียเวลาเอาเงินไปวัดไปทำบุญมีคนมารับถึงที่บ้านไปเลยคนที่ทำบุญให้ทานจึงจาไม่ค่อยทุกกับเรื่องของสมบัติเข้าของเงินทองรู้ว่ามีไว้สำหรับดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นและรู้ว่าเป็นโทษถ้าเอาไปใช้ ในการซื้อความสุข ต, ต่างๆเช่นเอาไปเที่ยวไปซื้อรูปสิงงกินโสโภธภะมาเสกเพราะสิ่งเหล่านี้ความเป็นความสุขชั่อคราวเป็นความสุขที่ทำให้ยึดติดเป็นเหมือนยาเสพติดเวลาที่ได้เสพก็จะมีความสุขเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะมีความทุกข์ใจทรมานใจงุนเหงิดใจ แต่ถ้าเราไม่ไปติดกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะติดกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะไม่ทุกเวลาที่เราไม่ได้เสบร mm hmm. ูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะเ mm hmm. ช่นคนที่ไม่ได้ดื่มสุรายาเมาจะไม่เดือดร้อนเวลาไม่ได้ดื่มสุรายาเมาแต่คนที่ดื่มสุรายาเมาเป็นประจำ เวลาใดที่ไม่ได้ดื่มสุราเวลานั้นจะมีความทุกข์ใจมีความหงุดหงิดใจเช่นเดียวกับเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดทงนั้นการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็เป็นเหมือนยาเสพติดคนที่เคยไปเที่ยวพอไม่ได้ไปเที่ยวก็จะมีความหงุดหงิดใจมีความทุกข์ใจ แต่คนที่ไม่เคยไปเที่ยวนี้จะไม่เดือดร้อนจะอยู่บ้านอย่างมีความสุขได้เพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นเหมือนยาเสพติดนั่นเองเราจึงอย่าหลงกับการเอาเงินทองนี้ไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราเพราะเป็นความสุขที่จะมีความทุกข์ตามมา เวลาที่เราอยากซื้ออะไรแล้วเราไม่มีเงินที่จะซื้อเวลานั้นเราจะไม่สบายใจเราจะทุกข์ใจเวลาเราอยากจะไปเที่ยวแล้วเราไม่มีเงินออกไปเที่ยวเราก็จะอยู่อย่างเศร้าซ้อยอง ห, หงอยเงาว้าเหวอยู่ภายในบ้านแต่ถ้าเราไม่เคยออกไปเที่ยวไม่ชอบไปเที่ยวเราจะอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขเลย คนที่ทำบุญบ่อยๆให้ทานบ่อยๆแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขจะไม่หิวกับการออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะอยู่บ้านได้อย่างมีความสุขไม่เดือดร้อนเวลาไม่ได้ไปเที่ยวเวลาไม่ได้ไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะใจไม่หิวนั่นเอง ใจมีอาหารที่ได้จากการทําบุญให้ทานใจมีความสงบมีความสุขเช่นเดียวกับการรักษาศีลถ้ารักษาศีลได้ใจก็จะสงบใจจะไม่วุ่นวายวิตกกังวลเดือดร้อนกับการกระทําบาปต่างๆถ้าทําบาปแล้วใจจะคอยวิตกกังวลอยู่เรื่อยๆ กลัวว่าจะต้องรับผลของวิบากผลของการกระทาบาปถ้าไม่ทำบาปแล้วใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะสบายมีความสุขแล้วถ้าทำใจให้สงบได้ยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นไปอีกหลายเท่าด้วยกันเพราะความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบนี้เป็นความสุขที่ ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากการได้ลาบยศเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสได้ทำบุญให้ทานได้รักษาศีลเป็นความสุขที่สูงสุดความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบวิธีจะทำใจให้สงบก็คือต้องควบคุมความคิดไม่ให้ความคิดคิดอยู่เรื่อย พราถ้าคิดอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่สงบใจก็เป็นเหมือนรถยนต์ถ้าอยากจะให้รถยนต์จอดนิ่งเราก็ต้องมีเบรกรถถึงจะจอดได้ถ้าไม่มีเบรกรถก็จะวิ่งไปเรื่อยๆความคิดของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีเบรกความคิดก็จะคิดไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เคยติดเบรกให้กับใจของเรา ใจของเราก็จะไม่มีวันที่จะหยุดคิดได้ไม่มีวันที่จะมีความสงบมีความสุขอันยิ่งใหญ่นี้ได้เราจึงต้องมาฝึกติดเบรกกันเอาเบรกมาหยุดความคิดเบรกที่พู้เจ้าทรงสอนให้เราติดก็คือสตินี่เองคำว่าสติก็คือให้เรา มีอารมณ์เดียวให้ใจของเรารับรู้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้รับรู้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วใจของเราก็จะสงบลงและหยุดไปได้ในที่สุดพอใจหยุดคิดแล้ว เราก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่นี้ดังนั้นถ้าเราอยากจะทาใจของเราให้สงบให้มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายเราต้องเจริญสติให้มากๆควรจะทาตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยพอตื่นขึ้นมาลืมตาได้ก็ให้ท่องพุทโธพุทโธไป ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ท่องพุโทโธไปอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทำงานทำการก็ท่องพุโทโธไปนอกจากเวลาที่ต้องใช้ความคิดในการทำงานเราก็ใช้ใจจดจ่ออ ย, อยู่กับการคิดการทำงานไป แต่ถ้าเวลาใดที่ไม่มีความจาเป็นจะต้องใช้ความคิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเราก็มาท่องพุโทโธต่อและเวลาที่เรามีเวลาว่างจากการทำงานเราก็มานั่งในมุมสงบที่ไหนสักแห่งหนึ่งไม่ให้มีอะไรมารบ ก, กวนนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุโทโธต่อไปเรื่อยๆใจของเราก็จะค่อยสงบเข้าไปเรื่อยๆ และจะสงบได้เต็มที่ตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนพอเราได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วใจเราจะไม่หิวจะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากได้เงินทองจะไม่อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไม่อยากทำบุญจะไม่อยากรักษาศีลเพราะว่าไม่ต้องรักษาศีลก็ได้ พราะใจไม่ทําอะไรนั่นเองเวลาใจสงบนี้ถือว่ามีศีลอยู่ในตัวแล้วเช่ขนขณะนี้ญาติโยมนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่เฉยๆก็ถือว่ามีศีลแล้วเพราะว่าไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดตัวเองนี่ไม่ได้พูดปดไม่ได้เสพสรารยาเมาใจที่สงบจะไม่มีความอยากที่จะทําอะไรทั้งนั้นจะมีความสุขกับการอยู่เฉยๆ ผู้ที่อยู่เฉยๆได้นั่นละเป็นผู้ที่อยู่อย่างเป็นสุขผู้ที่ยังอยู่เฉยๆไม่ได้นี้สแสดงว่ายังอยู่ไม่เป็นสุขยังต้องหาอะไรทำอยู่แล้วก็หาอะไรทำมาได้มากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถทำให้อิ่มให้พอได้ให้อยู่เป็นสุขได้มีความสงบเท่านั้นที่จะทำให้จิตของเรามีความอิ่มมีความพอได้ นี่คือความสงบที่จะเกิดขึ้นจากการเจริญสติถ้าเราจเจริญสติได้เราก็จะทำใจของเราให้สงบได้พอใจของเราสงบแล้วเราก็ไม่มีความต้องการอะไรเราก็อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องไปบีปัญหากับใครใครจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรใครจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเราจะไม่รู้สึกเดือดร้อน เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความสงบนี้เองไม่ได้อยู่ที่ข้าวของเงินทองต่างๆ ไม่ได้อยู่ที่บุคคล น, นั้นหรือบุคคล น, นี้ความจริงแล้วของต่างๆบุคคลต่างๆนี้นอกจากมีความสุขแล้วยังมีความทุกข์แถน ม, มาให้เราด้วยถ้าเราไม่เชื่อลองไปอยู่กับคนดูเวลาอยู่กับเขาบางเวลาเราก็มีความสุขบางเวลาเราก็จะมีความทุกข์เพราะเขาอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ หรือเขาอาจจะไม่อยู่กับเราไปก็ได้เวลาเขาอยู่เรามีความสุขเวลาเขาจากเราไปเราก็จะมีความทุกข์ตามมาดังนั้นเราควรเราไม่ควรไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่เที่ยงนั่นเองมีเกิดแล้วต้องมีดับไปมีเจริญต้องมีเสือ่อมเวลาเจริญเราก็มีความสุข เวลาเสื่อมเราก็จะต้องมีความทุกข์ตามมาแต่ถ้าเราไม่ไปดีอะไรเลยเราอยู่กับความสงบของเราได้เราก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาจะมีความสุขไปตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจของเราไม่มีวันตายนั่นเองร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็ต้องตายไปแต่ใจของเราจะไม่มีวันตายแล้วถ้าเรามีความสุขที่ ที่ใจแล้วเวลาร่างกายตายไปจะไม่ทําให้ใจของเราทุกข์เลยเพราะเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบนี้จึงขอให้พวกเราจงให้ความสําคัญต่อการดูแลรักษาใจของเราให้มากกว่าการดูแลรักษาร่างกายและสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะว่า ไม่ช้าก็เร็วสิ่งต่างๆและร่างกายของเรานั้นก็จะต้องหมดสภาพไปอยู่ดีอย่าเสียเวลาดูแลรักษาสมบัติที่เป็นสมบัติชั่วคราวให้เรามาดูแลสมบัติที่เป็นสมบัติที่ถาวรก็คือใจของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือทาบุญให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรม อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติกันในวันนี้ขอให้ทำกันไปเรื่อยๆและทำให้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วรับรองได้ว่าจะมีแต่ความสุขอยู่ภายในใจเพียงอย่างเดียวการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณระสีราตนาตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเอเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขะพภาลโดยทั่วหน้ากันเธอ